จารยบูชานะถาวายหลวงพ่อคำเขียนก็สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีนะถึงแม้ว่าเป็นงานแรกนะที่เราทำในลักษณะนีนะ้ก่อนหน้านี้อาจจะมีธรรมญาตรานะที่จัดเพื่อเป็นอาริยบูชาแต่นั้นเนี่ยก็เป็นงานที่ทำไว้แต่ดั้งเดิมมาแล้วนะ ส่วนที่เราได้ทำมาเนี่ยอันนี้เป็นของใหม่นะเพราะว่าหลวงพ่อก็เพิ่งลัสังขารไปนะงานนี้นี่ชาจิว่าไปแล้วนี่ก็เป็นงานที่ใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวนะรวมแล้วก็ประมาณครึ่งเดือนนะเฉพาะการจัดเฉพาะการจัดงานเริ่มตั้งแต่ 8-9 สิงหาแล้วก็12แล้วก็มา 22-23 มันไม่ใช่แค่การจัดงานหรือว่าจัดอีเวนต์นะที่ส่วนโมกกรุงเทพนะหรือว่าการจัดปฏิบัติธรรมที่นี่มันมีรายละเอียดเยอะนะการทำหนังสือการทำพิ พ, ธพิธภัณฑ์นะการจัดทำเส้นทางเดินตามรอยหลวงพ่อนะซึ่งก็เป็นงานที่มีรายละเอียดเยอะนะ แต่ว่าพวกเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะรวมทั้งงานหนุนเช่นงานด้านอ า, อาหารนะงานเกี่ยวกับเรื่องรถราก็ช่วยกันทาใหา้จบลงด้วยดีนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะทุกท่านทั้งพระทั้งแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทั้งที่วัดแล้วก็ที่กรุงเทพนะที่ได้ช่วยกันทำให้ งานนี้เนี่ยจบลงได้อย่างราบรื่นที่จริงงานอาจจะรกบูชาที่เราจัดนี่เมื่อเทียบกับที่อื่นจัดนี่ก็ถือว่าเป็นงานเล็กนะะเป็นงานที่เล็กนะแล้วก็ใช้เงินไม่มากนะซึ่งอันนี้ก็ตรงตามเจตนารมของหลวงพ่อหลวงพ่อท่านป่าลถอยู่เสมอว่าเราเป็นพระจนนะก็ไม่ควรจะทําอะไรที่ฟุ่มเฟือยแต่ว่า สิ่งที่เราเน้นหนักก็คือการให้ความสําคัญกับเนื้อหาสาระนะหนังสือที่ทาอาจจะเล่มเล็กๆราคาไม่แพงนะไม่ได้ทำให้เป็นหนังสือใหญ่พิมพ์สีสีนะเล่มหนาอันนั้นก็เป็นเรื่องที่นิยมทำกันเราไม่ได้ทำแบบนั้นนะแต่ว่าก็ไม่ทิ้งเรื่องเนื้อหาสาระนะ เรื่องการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเราก็มันเป็นเรื่องการใช้นะพลังศรัทธานะความเพียรพยายามนะถ้าจะวัดตามมาตรฐานทางโลกนะงานที่เราจับก็เป็นงานเล็กๆนะแต่ถ้าพูดถึงความหมายในทางธรรมมันก็มีสาระไม่น้อยนะอันนี้ก็ ก็เป็นเรื่องที่เราต้องอตจดหนักเอาไว้เสมอปีหน้าเนี่ยหลวงพ่อจะมีถ้าหลวงพ่อมีชีวิตยอยู่ก็จะมายุครบแปดสบปีนะเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมนะซึ่งอาจจะใหญ่กว่าปีนี้นะในบางเรื่องนะในบางเรื่องก็เบาลงเพราะว่าหลายเรื่องก็ได้ทําไปแล้วนะเช่นพิพิธภัณฑ์ นะเรื่องการทำเส้นทางตามรอยหลวงพ่อแต่ว่าบางเรื่องก็คงจะเป็นงานใหญ่กว่าเดิมเนะช่นที่กรุงเทพอาจจะมีการจัดอบรมหรือปฏิบัติธรรมทานะทางกรุงเทพก็บอกอยากจะอยากจะได้3วันนะไม่ใช่แค่2วัน8 9อย่างปีนี้แล้วก็นังสือนะที่เป็นสมุด เป็นหนังสือภาพชีวิตและงานของหลวงพ่อเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะทำให้ให้เสร็จในปีหน้านะทันงานนี้แต่ว่าก็ยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะแล้วคิดว่าก็คงจะมีต่อๆไปนะทุกปีทุกปีกปโดยพ่อในเดือนสิ ง, สงหาคมนะสิงหาคมต่อไปนี่จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างชุกนะงานชุกสำหรับ พวกเราทั้งสุขโตทั้งธรรมไฟภูเขาทองแล้วก็มหาวันผู้หลงเดิมนี่งานก็ชุกอยู่แล้วนะเพราะเป็นงานที่เพราะเป็นช่วงวันแม่คนก็นิยมมาปลูกป่ากันนะมีมาปลูกปาก่าที่ผู้หลงกันเดินสิงหาคมก็หลายคณะและต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะนะมีงานาล้ำลึกถึงหลวงพ่อทั้งใน นื่งในวันเกิดของท่านแล้วก็เนื่งในวันละสังขารของท่านสิงหาคมก็จะเป็นเดือนที่พวกเราก็ต้องรวมม้ร่วมมือกันเป็นประจาทุกปีก็ว่าไดแ้แต่สิ่งที่ต้องคิดกันก็คือว่าทำไงเนี่ยนะจะไม่ให้งานแบบนี้เนี่ยกลายเป็นประเพณีที่ลงร่องนะ คือทําไปเป็นประเพณีจกนกระทั่งมันไม่มีชีวิตชีวานะไอการทําซ้ําๆเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าจะซ้ํำซากเสมอไปนะถ้าเราทําให้มันมีเนื้อหาสาระนะถึงแม้จะทําเหมือนกันทุกปีมันก็จะไม่ซ้ํำซากนะมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของรูปแบบนะมีงานอาจฉระบูชาหรือว่าล้ำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับนะในหลายที่ ผมสังเกตดูก็รู้สึกว่ามันเริ่มจะลงร่องนะแล้วก็ซ้ำซากก็ทำสักแต่ว่าทำเพราะมันเป็นประเพณีไปซะละนะอันนี้ก็น่าเสียดายแต่ทำไงถึงจะให้มันไม่ลงร่องนะถึงแม้ว่าจะทาเหมือนกันปีแล้วปีเล่านะแต่ว่าไม่ซ้ำซากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคุ้นคิดกันนะต้องใช้สติปัญญานะ สิ่งที่ทำซ้ำเนี่ยไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จะเป็นต้องซ้ำสร้างนะเหมือนกับเราสร้างจังหวะเนี่ยนะเราสร้างจังหวะเราเดินจงกรมเนี่ยมันก็ซ้ำนะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้าอีกแต่ถ้าเราทำอย่างมีสติมันก็ไม่ซ้ำสร้างนะมันจะเป็นความสดความใหม่อยู่ทุกครั้งที่เราเดินจงกรมที่เราสร้างจังหวะหนะเราจะได้เห็นเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลา ก็เมื่อการทำว่าสดมนนะ์เราก็ทำนะทุกวันทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นแต่ถ้าเราทำอย่างไม่มีสตินะมันก็จะกลายเป็นซ้ำซากมันก็จะเหลือแต่รูปแบบนะหรือว่าเป็นรูปแบบที่มันเหมือนกับว่าตายซากด้วยนะแต่ถึงแม้เราจะมาทำทุกวันแต่ถ้าเราทำด้วยใจที่มีสติตื่นเต็มนะ เราจะได้อะไรใหม่ๆนะจากาบทสวดมนต์อยู่เสมออาจจะไม่ถึงกับทุกวันนะแต่ก็จะได้นะได้ข้อธรรมใหม่ๆนะที่เตือนใจเราได้นะเรื่องของประเพณีก็เหมือนกันนะเราถึงแม้เราต่อไปนี้เราก็จะต้องทําทุกปีทุกปีแต่อย่าให้กลายมันกลายเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทํานะ แต่ทำด้วยด้วยศรัทธานะพอเห็นคุณค่านะซึ่งถ้าว่าเราใค ร, คร่ครวญเราก็คงจะพบว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยนะตั้งแต่วันที่แ9ดเก้าเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็มีคุณค่าหลายอย่างนะมันไม่ใช่แค่ตอบแทนคุณบูชาครูนะคือหลวงพ่อนะแต่มันยังเป็นโอกาสให้เราได้ทบทวนคำสอนของท่านนะ เมื่อได้ทบทวนคำสองท่านเนี่ยมันก็จะเป็นข้อเตือนใจหรือเป็นแนวทางนะในการปฏิบัติในการดเนินชีวิตนะคนเราเนี่ยนะถ้ามีครูบาอาจารย์นะที่คอยช่วยตักช่วยเตือนก็ถือว่าเรานะมีโชคนะแต่ถ้าเกิดว่าครูบาอาจารย์นี่ไม่ไม่อยู่ที่จะตักเตือนเราได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยการที่ได้ระลึกถึงท่าน ได้ระ ล, ลึกถึงคําสอนของท่านถึงแบบอย่างการดําเนินชีวิตของท่านเนี่ยมันก็ช่วยเป็นข้อเตือนใจแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับเราด้วยบางทีเราก็เผลอนะบางทีเราก็ลืมนะอยู่ออกับครูบาอาจารย์ไปนานๆก็ลืมสิ่งที่ทําเห็นอยู่ทุกวันทุกวันมันก็กลายเป็นจําเจนะของใหม่ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่จําเจขึ้นมาหรือซ้ํำซากไปเลย แต่ว่าถ้าได้มีการพูดการคุยนะได้มีกิจกรรมทำนองนี้อย่างที่เราได้ทำเนี่ยมันก็จะช่วยเตือนใจเราได้นะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความเพียร น, นะแล้วก็เป็นการตอกย้ำศรัทธาคนเรานะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เลยนะมันก็เหมือนกับอาพับนะหรือว่า <c oughs> ไร้โชค อันนี้พูดถึงคนทั่วไปนะไม่นับคนพิเศษนะอย่างพระพุทธเจ้านี่พระเจ้าก็ตัดสรุปธรรมโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผู้ที่ช่วยเหลือหรือว่าทำให้ท่านมีให้พระองค์มีข้อคิดสกิดใจอย่างน้อยๆเนีย่ยเทวทูตสามนิมิตสี่เนี่ ย, 3, น 4, นยคนแก่คนป่วยคนตายแล้วก็นักบวชนะที่พระองค์ได้เห็น ก่อนจ ะ, อ, ะออกบวชเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งเตือนใจนะที่มีคุณอุปการอย่างยิ่งนะที่เราคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ช่วยเตือนช่วยให้กําลังใจหรือว่าช่วยให้แนวทางนะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี่ก็ถือว่าอับโชคนะอับ พ, พ แล้วบางครั้งคนเราเนี่ยถากจะทําอะไรเพื่อตัวเองเนี่ยนะแม้จะเป็นสิ่งดีก็ไม่อยากทํานะถ้ามันถ้ามันเป็นเรื่องที่ลําบากนะแต่ถ้ากว่าเรานึกถึงคนอื่นนะก็อาจทำให้เกิดความเพียรได้และคนหนึ่งซึ่งสามารถจะกระตุ้นให้เราเกิดความเพียรก็คือครูบาอาจารย์เยวแล้วก็ตามเนี่ยครูบาอาจารย์นะก็เราก็ต้อง น ะ, อะตอนหนักนะว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะนะคนที่เรากราบไหว้นับถือหรือว่ามอบกายถวายชีวิตให้นะจริงๆครูบาอาจารย์นี่ก็มีเยอะนะผู้มีปัญญาเนี่ยต้องรู้จักสแสวงหาครูบาอาจารย์นอกจากครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้รู้นะที่เป็นกัลยาณมิตรแล้วเนี่ยยังมีครูบาอาจารย์อีกหลายลักษณะนะ คนฉลาดหรือผู้มีปัญญาเนี่ยนะสามารถที่จะนะหาครูบาอาจารยนะ์ได้จากทุกสิ่งรอบตัวก็ว่าได้นะอันนี้ครูบาอาจารย์นี่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบุคคลเสมอไปเป็นสิ่งของก็ได้นะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยว่าในสายพุธการก็มีทายกเข็นใจนะนะ ยาจกเข็นใจไม่ทายกยาจกเข็นใจเนี่ยขอทานถือกะโหลกกะลาขอทานเป็นเป็นอาชีพมีชีวิตที่ลำบากมากหาเช้ากินขําตอนหลังเนี่ยก็ไม่รู้เป็นเพราะศรัทธาหรือเพราะเห็นว่าการบวชเนี่ยมันง่ายนะสบายก็เลยมาบวชนะพระอันนท์ก็บวชให้นะคงเห็นว่ามีศรัทธาด้วยแหละ เมื่อบวชแล้วเนี่ยเสียดายเสื้อผ้านะทั้งที่เสื้อผ้านี้ก็ปูป่าขาดวิ่นแม่แต่จะกรองน้ำยังกรองไม่ได้เลยแต่ก็เสียดายอาจจะยังคิดว่าอาจจะคิดว่าอาจจะกลับมาบวชกลับม า, าเป็นคราวาสใหม่ก็เลยเอาเสื้อผ้าปูป่านี่แหละแขวนไว้ที่กิ่งไม้ในป่าต่อมาเนี่ยพอบวชแล้วก็รู้สึกมันลําบากนะ เกิดความอยากจะสึกนะภาษาพหุเรียกว่า ก, กสันจะสึกนะเมื่อเกิดความกสันจะสึกเนี่ยก็จะเข้าไปในป่าแล้วก็พอเห็นเสื้อผ้านะเดิมทีก็คิดว่าจเจ้าเสื้อผ้ามาสวมใส่แต่พอเห็นเสื้อผ้าที่ขาดบินก็นึกถึงชีวิตที่ลําบากนะสมัยเป็นคาราวานนะก็อาจจะอาจจะเกิดได้คิดขึ้นมาว่าทําไมเราโง่แบบนี้นะ อยู่เป็นผ้านี่ก็สบายอยู่แล้วทำไมจะไปหาเรื่องลำบากนะกลับไปเป็นคารวะก็เลยไม่ศึกเนะี่ยออกมาจากป่าอยู่ไปไม่นานก็กระสันจะศึกอีกนะก็เข้าไปในป่าก็อาศัยเสื้อผ้านี่แหละเป็นเครื่องเตือนใจนะทำให้ความคิดที่จะศึกเนี่ยหมดไปทำงี้บ่อยๆนะจนกระทั่งเพื่อนภาถามเนี่ยว่าท่านไปทาอะไรในป่า ท่านก็จะตอบว่าไปหาอาจารย์นะไปหาอาจารย์เพื่อนพราก็ไม่ได้ถามต่อนะอาจารย์ที่ว่านคืออะไรแล้วก็ตอนหลังเนี่ยท่านก็ตั้งใจในการปฏิบัติจกนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เพื่อนก็ถามว่าเดี๋ยวนี้ทําไมไปหาอาจารย์แล้วเหรอท่านก็ตอบว่าข้าพเจ้าไม่ต้องพึ่งอาจารย์แล้วนะเพื่อนพราก็หาว่าท่านเนี่ยอวดตัวก็เลยไปฟ้องพระเจ้า อวดอุตตริมุสธรรมนะมั้งอุจจากก็เลยเรียกมาแล้วก็ตัดถามก็เลยได้ความอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่านะแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ปลูป่ป่านี่มันก็เป็นอาจารย์ได้นะเป็นอาจารย์ในความหมายที่ว่าเตือนใจให้ให้กลับมาทําความดีให้กลับมาทามํใานะทในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเหมือนกันนะผู้มีปัญญานี่รู้จักสแสวงหาครูบาอาจารย์ นะสามารถที่จะเอาเอาสิ่งต่างๆนะมาเป็นครูบาอาจารย์เตือนใจไดนะ้เวลามีเรื่องกระทบใจเนี่ยนะมันก็ถ้ามองดูดีๆนะครูบาอาจารย์ก็สามารถจะปรากฏแกเราได้นะหลวงพ่อพุทธนิโยโเนี่ยท่านนะเคยเล่าว่าสมัยที่ท่านเป็นพระหนุ่มเนี่ยนะอยู่ที่อุบลวันหนึ่งก็ไปบินทบาทนะ ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกชายอายุห้าขวบยืนรอใส่บาตรท่านก็เลยเดินเข้าไปพอใกล้จะถึงเนี่ยเด็กเห็นท่านก็พูดขึ้นมาเสียงดังว่ามึงไม่ใช่พระดอกมึงไม่ใช่พระดอกทีแรกเนี่ยหลวงพ่อปุณ้ท่านไม่พอใจนะแต่ว่าสักพักท่านก็ได้สติแล้วก็ได้คิดขึ้นมาว่าเออจริงของมัน เราไม่ใช่พระนะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธนะพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยความไม่พอใจความโกรธนี้ก็หายไปเลยแล้วท่านก็ไปรับบาตรตามปกตินะไม่มีความรู้สึกโกรธเด็กคนนั้นเลยภายหลังเนี่ยเวลาท่านพูดถึงเด็กคนนั้นท่านก็บอกว่าเด็กคนนั้นคืออาจารย์ของท่านนะไอเด็กที่ด่าท่านนะที่พูดกับท่านด้วยถ้อยคำํำไม่สุภาพเนี่ยนะว่าไม่มึงไม่ใช่พระดอกเนี่ยนะ แต่ว่าสามารถจะเป็นครูบาเป็นอาจารย์เนี่ยของหลวงพ่อพุธได้อันนี้ก็เรียกว่ารู้จักสแสวงหาครูบ า, าจหันนะคือว่าแม้กระทั่งคนที่ด่าเราเนี่ยก็สามารถจะเรียนจากเขาได้หรือสามารถเห็นประโยชน์จากเขาได้นะก็คือเป็นอาจารย์เพราะว่ามาเตือนให้ท่านได้สติได้คิดนะว่าเออเป็นผ่าเราต้องไม่โกรธนะ ถ้าเราโกรธนี่แสดงว่าเราก็ยังไม่เป็นพระนะนะก็เป็นการเตือนใจให้อรู้จักอทําทความเพียรหรือว่ารู้จักข่มใจนะรวมทั้งมีสติรู้ทันความโกรธด้วยถ้านะคนที่ด่าเราเนี่ยนะถ้าเรามองให้ดีก็สามารถจะเป็นอาจารย์ของเราได้เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะคนหรือเหตุการณ์นะเวลาเราทําอะไรผิดพลาดเนี่ยนะ มันก็สอนเราได้มากมายนะเราคงเคยได้ยินคําว่าผิดเป็นครูเวลาทําผิดเนี่ยนะแทนที่จะมาเสียใจแทนที่จะหัวเสียเนี่ยเออก็ลองมาว่าเนี่ยความผิดมันเป็นครูเรานะอุปสรรคความล้มเหลวก็เป็นครูเราได้เป็นอาจารย์ของเราได้นะนนถ้าเรารู้จักมองแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้สแสวงหาครูบาอาจารย์เหมือนกันนะเป็นผู้รู้จักสแสวงหาครูบาอาจารย์ บางทีครูบาอาจารย์นี่เราไม่ใช่ต้องไปสแสวงหาที่ที่ไกลๆนะด้นด้านด้ น, ด น, ดนไปนะไปอินเดียนะหรือว่าไปาประเทศหรือเมืองต่างๆนะบางทีอาจารย์นี่มันก็อยู่ข้างหน้าเราวนี่แหละนะโดยเพราะเวลาเกิดการกระทบขึ้นมานะทำให้ไม่พอใจหรือแม้แต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นข้างในใจเราเนี่ย นะความโกรธความเจ็บความปวดความทุกข์ความเบื่อนะมันก็เป็นครูเป็นอาจารย์นะให้กับเราได้เหมือนกันนะเพราะว่าจริงเหล่านี้เนี่ยมันก็สอนทำแสดงสัจธรรมให้เราได้เหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนได้พูดนะนะจากเทปเมื่อวานนะว่าเนี่ยเราสามารถจะเรียนสัจธรรมได้นะจาก ความทุกข์จากความโกรธนะอันนี้ก็แปลว่าความทุกข์ความโกรธนี่ก็เป็นอาจารย์ของเราได้ใช้เราต้องฉลาดนะฉลาดในการที่จะาหาหรือว่าเอาสิ่งต่างๆมาเป็นอาจารย์ของเราโดยเพราะเวลาเจอผัสสะที่มากระทบให้เกิดความขุนเคืองใจเกิดความไม่พอใจไอ้ตรงนั้นแหละที่ ถ้าเรามองดีๆนะมันก็สามารถจะเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับเราได้การลองผิดลองถูกนะก็เป็นอาจารย์เป็นครูของเราหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าอาจารย์ของท่านเนี่ยชื่ออาจารย์คลำนะอาจารย์คลำเนี่ยคลําคืออะไรนะก็คือลองผิดลองถูกนะไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ทําไปคลําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มันก็เจอถูกทางเองท่านเรียรู้เนี่ยหลายเรื่องนะจากอาจารย์คลำนะ ทังทางโลละ ท, งทางธรรมธรรครัวก่อสร้างกุตินะหรือว่าการเจริญกรรมฐานนี่ท่านก็อาศัยอาจารย์คลำเยอะนะไม่ใช่จากพระไตรปิฎกอย่างเดียวนะที่สอนทำมาให้กับท่านการลองผิดลองถูกเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะแล้ว เ, เกิดความเครียดขึ้นมาให้เรามองดีๆนะความเครียดนี่แหละสอนเราความเครียดกําลังเป็นครูสอนเรา สอนว่าหลายสอนว่าเรากำลังทาผิดนะเวลามีความเครียดเกิดขึ้นเวลามีความตึงนะที่หัวที่ใบหน้าหรือว่าปวดหัวหายใจไม่ทั่วท้องนะแน่นหน้าอกเนี่ยตอนนั้นให้รู้นะว่าอาจารย์นี่กำลังมาเตือนเราแนละ้วว่าเรากำลังวางใจผิดวางใจผิดยังไงก็คือไปจ้องไปเพ่งนะไปจ้องไปเพ่งที่อวัยะวะ ที่มือที่เท้าหรือไปดักจ้องความคิดนะอันเนี้ยพอเราทำแล้วเครียดเนี่ยเมื่อไหร่ก็ให้รู้ว่าเราวางใจผิดแล้วให้ลองทําใจปล่อยวางสักหน่อยทําใจสบายๆทําเล่นๆไปนะเราต้องรู้จักนะรู้จักหารู้จักเอาสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นรอบตัวแล้วที่เกิดขึ้นในตัวเราในใจของเราเนี่ยมาเป็นอาจารย์ สุดท้ายเนี่ยนะอาจารย์ที่เดือดซึ่งก็คือตัวเรานั่นแหละหมายความว่าเราต้องรู้จักเตือนตนนะพุทธะแต่ว่าเนี่ยบุคคลต้องรู้จักเตือนตนด้วยตนเองการที่มีตนเป็นอาจารย์นี่ไม่ได้หมายความว่าเห็นว่าฉันแน่ฉันเก่งแต่หมายความว่ารู้จักเตือนตนนะคนถ้าเราจรารู้จักเตือนตนรู้จักเฝ้ามองตนหรือว่าหัวเรายอะตนเองเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่า มีตนเป็นอาจารย์ได้เหมือนกันนะเราเคยหัวเราย่อตัวเองบ้างหรือเปล่าน ะ, เ ว, ะเวลาโกรธเวลาเศร้าโศกเสียใจเวลาอิจฉาใครเนี่ยลองหัวเราย่อตัวเองบ้างจริงๆเลยว่าหัวเราย่อกิเลสมากกว่าหัวเรายอ่ากกาายออัตตานะถ้าเราจากเตือนตนนะก็ถือว่าเรามีตนเป็นอาจารย์นะมีมีสตินะคอยทักท้วงนะ คนเราจะเตือนตนได้มันต้องมีสติคอยทักท้วงนะทักท้วงความคิดทักท้วงอารมณ์ถ้าใครก็ตามที่ไม่รู้จักเตือนตนเนี่ยนะก็ถือว่าอาภัพมากเลยมาเพราะว่าเรียกว่าขาดอาจารย์ไปแล้วฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเมื่อเราโชคดีนะที่มีหลวงพ่อคําเขียนเป็นครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็อาจจะมีหลายท่านนะที่อนะเรานับถือนะ แต่ว่าก็อย่าไปอย่าไปพึ่งพาครูบาอาจารย์อย่างนี้สีอย่างเดียวนะเพราะว่าครูบาอาจารย์เหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะดีวิเศษยังไงนะก็ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงอนิจจงนะยังไงก็สักวันหนึ่งก็ต้องล่มหายตายจากไปแม้แต่พุทธเจ้านะแต่ถ้าเรารู้จักนะฮ อาจารย์เนี่ยจากทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งที่มาอยู่รอบตัวเรานะทั้งที่เกิดขึ้นในใจของเรานะสามารถจะเอาทุกอย่างเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์สอนธ ร, รนะหรือว่าเป็นเครื่องฝึกจิตฝึกใจให้มีความอดทนเข้มแข็งมีขันติมีวิริยะมีปัญญาหรือสามารถที่จะเรียนสัจธรรมได้จาก สิ่งเหล่านี้นี่ก็ถือว่าเราเป็นผู้มีปัญญานะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่รู้จักแสวงหาครูบาจารย์เหมือนกันคนเรานี่ยถ้าไม่รู้จักแสวงหาครูบาจารย์นะมันก็อาพัพนะแล้วก็ยากที่จะเจะเลยงอกงามนะไม่ว่าในทางโลกหรือทางธรรม